เรขอบอทนากับพวกเราด้วยนะตั้งใจในการศึกษาพระธรรมเลยวันนี้ก็เช้าไปสามสิบส่วนาทีแต่ตอนนี้วันนี้ก็ศึกษาต่อจากครั้งที่แล้วนะคือในสรุปตรงนี้ก็คือเรามาศึกษาในเรื่องของสติปัฏฐานในการศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ก็เป็นเรื่องที่เราทั้งหลายก็จะต้องทําความเข้าใจให้ชัดนะเพื่อประโยชน์ในการที่จะได้ เข้าใจคำสอนของพระเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อการขัดเกลวนะการรู้คําสอนของพระเจ้าไม่ใช่เพื่อประโยชน์อย่างอื่นเพื่อการขัดเกลวเพราะเราเห็นว่าออความจริงในการที่เราท่านทั้งหลายจะต้องไปรู้เนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นมากโดยเฉพาะก็คือการรู้ความจริงที่พระทธเจ้าทรงสอนกันไว้ในหลักคําสอนเนี่ยนะโดยเฉพาะก็คือ ถ้าไปศึกษาคําสอนเนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเขาไว้เนี่ยหลายๆที่เนี่ยคงจะตรัสไว้ค่อนข้างค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะว่าในคําสอนที่เราศึกษากั น, นโดยเฉพาะในอริยสัจธรรมในเวรนาในกายานุปัสนาตอนนี้เราศึกษาเรื่องของเวรนานุป mm ัสนาพอศึกษาไปศึกษามาในคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไปสรุปลงตรงไหนสรุปลงในอริยสัจสี่ใช่ไหม ในอริยสัจสี่ก็คือว่าเป็นสัจจะที่บอกว่าถ้าอริยะมีพรุทธเจ้าเป็นต้นย่อมแทงตลอดสัจจะนั้น h e ้ c สัจจะที่พระอริยเจ้าทร ง, ทงแทงัตลอดนั้นก็เรียกว่าอริยสัจหรืออริยสัจก็คือสัจจะของพระธรรมคตผู้เป็นพระอริยะเป็นสัจจะคือเป็นความจริงของพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะอริยสัจเป็นสัจจะของพระธรรคตเนื่องจากเป็นสิ่งที่ พระ อ, องค์ทรงตัดสรู้เองแล้วก็ทรงสั่งสอนบุคคลอื่นให้รู้ตามจากการสั่งสอนนั้นนั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะตัสรู้ว่าอะไรตัส ร, ร, รททสู้อริยสัจเจธรรมทั้งสีอริยสัจคือสัจจะที่ควรอย่างรู้เพราะเป็นสภาวะที่ควรอย่างรู้โดยไม่แปรปลีนตรงนี้ท่านก็เลยบอกว่าสัจจะที่พระพุทธเจ้าทรงแทงตลอดสัจจะของพระตถาคตผู้เป็นพระริยะ สัจจะที่ทําให้สําเร็จเป็นพระอริยะแล้วก็สัจจะที่ควรอย่างรู้อย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยมาศึกษาฟังพระธรรมคําคสอนของพระเจ้าหรือรเปลไปพื้นปฏิบัติตามพระธรรมคําคสอนของพระเจ้าเพื่ออะไรเป้าหมายก็คือเพื่อต้องการที่จะเป็นพัฒนาตนเองเนี่ยให้เข้าถึงความเป็นสรณะนหนึ่งในสรณะนั้นใช่ไหมปกติเนี่ย สระหามีสามคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังข ร, รัตนะเราท่านทั้งหลายที่มาศึกษาคําสอนของพทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติต้องการที่จะขัดเกลาตนเองเพื่อไปเป็นหนึ่งในสรณคมทีนี้เราจะเข้าถึงได้หรือไม่อันนั้นเป็นเครื่องวัดถ้าเข้าถึงไม่ได้เราก็พ้นทุกข์ไม่ได้ถ้าเราเข้าถึงหนึ่งในสระได้เราจะพ้นทุกพ้นจากวัตรทุกข์ได้อันนั้นคือเป้าหมายในการที่เราท่านทั้งหลายจะต้องเดินทาง ทีนี้คนจะเป็นหนึ่งในสารณะได้นั้นคนคนนั้นต้องมีความเข้าใจพระธรรมคําำคำสอนไม่ใช่ไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจคาสอนของพระเจ้าแล้วเนี่ยเราจะขัดเกลารตนเองในการที่จะเดินตามศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเพื่อเป็นหนึ่งในสารณะได้อย่างไรใช่ไหมจะเป็นหนึ่งจะเป็นพุทธรัตนะเพื่อเข้าถึงธรรมระทานตลอดธรรมรัตนะหรือจะเป็นสังฆรัตนะรัตนาก่าวคือประสงค์ฉะนั้นจากบุคคลธรรมดาเนี่ยเป็นบุรุษชนธรรมดาเนี่ย พัฒนาไปเป็นกัญยาในปุรุชนได้จากกัญยาบุรุชนพัฒนาไปเป็นอริยะบุคคลเป็นต้นได้ใช่ไหมทีนี้จะได้หรือไม่ก็อยู่ที่ว่าเราท่านทั้งหลายจะจะขัดเก่ากันได้แค่ไหนอย่างไรถ้าเราขัดเก่าไม่ได้โดยเฉพาะก็คือว่าอย่างที่เรากล่าวกันมากที่สุดก็คือว่าการที่จะเราเข้าถึงความจริงของพระเจ้าเนี่ยแปลว่าจะต้องรู้สัจจะรู้ความจริง่นะประการแรกจริงๆก็คือรู้ทุกรู้ทุก ถามว่าคําว่ารู้ทุกเนี่ยทุกนั้นเป็นความจริงยังไหมเป็นความจริงอย่างยกตัวอย่างเช่นที่เรากําลังจะศึกษากันเนี่ยศึกษาในเรื่องของเวทนาแล้วก็พูดว่าเวทนาเป็นหนึ่งในขันห้าคือรูปขันเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณทีนี้ถ้าเราจะต้องการอยากจะรู้ว่าเอ๊มันเป็นทุกไงทุกจริงจริงมาจากคาว่าทุทรัพท์เนี่ยทุกในที่นี้นะมาจากคาว่าทุกขังทุกขังเนี่ยนะที่แปลว่าหน้ารังเกียจเพราะชาวโรคทุกขังตัวนี้ไอ้ทุกตัวนี้ แปลว่าน่ารังเกียจเหมือนคําว่าทุกบุตรโตเนี่ยก็แปลว่าบุตรที่น่ารังเกียจหรือบุตรชั่วเขาเรียกทุกบุตรโตส่วนคําว่าขังเนี่ยก็แปลว่าว่างเปล่าเพราะชาวโรคเรียกท้องฟ้าที่ว่างเปล่าว่าขังแปลว่าท้องฟ้าก็ได้ขังศัพท์เนี่ยเนี่ยแปลว่าท้องฟ้าฉะนั้นส่วนอริยศาสตร์ที่เราควรจะเข้าไปวิจัยกันน่ยมันต้องวิจัยอะไรวิจัยสิ่งที่น่ารังเกียจเพราะเป็นบ่อเกิดของทุกข์เป็นบ่อเกิดของอุปัตถว์อันตรายทั้งหลาย เป็นสิ่งที่ว่างเปล่าเพราะว่างเปล่ายังไงทุกเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจแล้วก็เป็นสิ่งที่ว่างเปล่าคําว่าน่ารังเกียจในที่นั้นก็คือว่ามันนํามาซึ่งอุปัตวะทั้งหลายอันตรายทั้งหลายส่วนคําว่าว่างเนี่ยขังตัวนั้นที่แปลว่าว่างเนี่ยแปลว่าเราลองค้นไปนี้ในผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหัวใจไตตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยหันใหม่หันเก่ามันสมองเนี่ย ที่เป็นรูปกายทั้งสิ้นเหล่านี้ยมันมีความงามอยู่ไหมถ้าไม่มีความงามอยู่เขาเรียกว่าว่างจากความงามแล้วมันมีความเที่ยงอยู่ในนั้นไหมถ้ามันไม่มีความเที่ยงอยู่นั้นเขาเรียกว่าว่างจากความเที่ยงแล้วมันมีความสุขที่ถาวรที่แท้จริงอยู่ในนั้นหรือไม่ถ้าไม่มีเนี่ยเขาเรียกว่าใช่ไหมมันว่างจากความสุขด้วยแล้วมันบงังไม่ไม่ใช่ตัวตนคือเราจะไปบังคับไม่ได้มันเป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นอัตตา แต่ชาวโลกทั้งหลายเราเป็นผู้ที่เข้าใจผิดว่าเป็นอัตราแต่ในที่สุดจริงๆก็บังคับมันไม่ได้ตรงนี้ก็คือว่าตมืก่อนก็มีคนเขาบอกว่าเขาจะไปบรรยายคำสอนเนี่ยเดือนนี้ก็จะาบรรยายให้พวกกลุ่มพวกนักศึกษาฟังเป็นนักศึกษาเกี่ยวในเรื่องของเทคนิคการแพทย์เทาโทรมาถามว่าเป็นกระโทกบอกว่าอธิบายยังไงให้นักศึกษาก็เห็นว่าไม่งามหนึ่งอมาก็บอกว่า ที่จริงในผมคนเล็บฟันจะเป็นกล่องที่ไม่งามเลยู่แล้วจ้ะยังบางคนบอกว่าผมงามหรือว่าตาก็งามจมูกก็งามฟันก็งามปากก็งามก็เลยบอกมาลองอ้าปากแล้วก็ลองลองดูว่ามีส่วนไหนในในปากนั้นมันมันมันมันงามอย่างเงมันไม่ได้มีความงามอยู่ในนั้นเลยจ้ะแท้ที่จริงเราเป็นกลองที่น่ารังเกียจถึงมีแต่ของที่ไม่สะอาดไหลออมาแต่เพียงว่าเราจะดูกันแบบวิพิตมานาจิการก็จะเป็นกองาบ นั่นในการราชการนี้มีของไม่งามเต็มเลยเพียงแต่ว่าเราเรากล้าที่จะดูตามความเป็นจริงที่พระองค์ทรงสอนถ้ากล้าที่จะดูความจริงดูนั้นเนี่ยเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีความงามอยู่ในนั้นฉะนั้นตรงเนี้ยเรา่านทั้งหลายทําไมเราต้องการรู้ความจริงตรงนี้เพราะเมื่อรู้ความจริงอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตมันจะถ่ายถอนฉะนั้นในในสิ่งต่า ง, าง ๆ, ๆเหล่านี้ที่เราไม่สามารถจะถ่ายถอนสิ่งต่างๆเหล่ า, า, านี้ได้ก็เพราะว่าเรานั้นน่ยถูกโมหะทั้งหลายเนี่ยมันครอบงำ ฉะนั้นในครั้งที่แล้วก็เลยพูดถึงในเรื่องของเวทนาเยอะพูดเรื่องเวทนาพูดถึงเรื่องเวทนาเนี่ยที่ไปบอกว่าพิจารณาเวทนาโดยการ 12. เมื่อโรคพิจารณาเห็นเวทนาโอเวทนาในภายในทั้งหลายไม่เพลิดเพลินไม่พ่ําถึ ง, ไ ม, มถงไม่ตั้งอยู่ไม่ติดใจในเวทนาก็ย่อมบรรเทาย่อมละทาให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีซึ่งความเพลิดเพลินและความพ่ําถึงความติดใจและความถือไว้ความจับต้องแล้วก็ความถือมั่นเป็นต้นตรงนี้ท่านก็สอนในคําสอนตรงเนี้ย สามารถที่ไปเปิดดูได้ในจุลนิเทศในคําสอนตรงนี้ท่านจะขยายเกี่ยวในเรื่องของเวทนาที่จริงท่านพูดถึงในเรื่องของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเบียดเสดเลยท่านพูดหลายในยะทั้งในยะของอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นเหล่านี้นะท่านพิจารณาทั้งหมดเหตุที่ท่านพิจารณาในลักษณะอย่างนี้อย่างยกตัวอย่างเช่นว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาแล้วก็อทุคขมสุขเวทนาเป็นต้นเหล่านี้ ในเวทนาสนั้นน่ะถ้าในพิจารณายังไงถ้าในพิจารณาเวทนาทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกเป็นต้นเหล่านี้นะพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นของเวทนาทั้งหลายพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมไปของเวทนาทั้งหลาย น, นั่นหมายถึงพิจารณาเหตุปัจจัยของเวทนาเอาท่าลองพิจารณาดูอย่างในหน้าที่สามสิบห้าตอนในมีเวทนานุบัตสนาเนี่ยพิจารณาเวทนาโดยอาการ4ี่สิบสอง ในสี่สิบสองเนี่ยไปอยู่ในหมานิเทศก็ได้นะดูในจุลานิเทศในหมานิเทศที่ไหนเป็นสมิธามากก็ไปดูในวิสุทธิมารท่านก็ขยายแต่ท่านขยายโดยรวมเมื่อโรคภิจารณาเห็นอ น, นิจโตนะฮะโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่ตั้งอยู่ด้วยความติดใจในเวทนาถามว่าสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยโดยมากจะติดใจเวทนากันหอยหาเวทนากันถามว่าคนเราเนี่ยนะที่ มันทำมาพิจารณาอย่างนี้ก็จะเห็นบอกว่าที่พิจารณาเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยยอบบ่อมบรรเทาทําให้สิ้นสุดถึงความไม่มีซึ่งความเพลิดเพลินความพร่าถึงความติดใจหรือการถือไว้ถ้าถามบอกว่านิจโตที่แปลว่าไม่เที่ยงเน้นแปลว่าไงไมันจะคําว่าอัจจติกหรือ อ, อนิจจตาเนี่ ย, ยท่านบอกอั น, นิจโตที่แปลว่าโดยความเป็นธรรมที่ไม่เที่ยงนะั้นเน่ยท่านแก้ว่าขันโรูคเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ในที่นี้ท่านย่อมเวทนาขันขึ้นมา แที่จริงรวมทั้งขันและปัรยกาศเป็นธรรมชาติที่ไม่เที่ยงคือเป็นธรรมชาติที่เที่ยงหาไม่ได้คือมีการแปรปลีนอยู่ตลอดเวลาลักษณะนี้เขาเรียกว่าเป็นส่วนโรคคตโตเนี่ยพิจารณาดูวความเป็นโรคทุกขโตเนี่ยพิจารณาดูวความเป็นทุกขก่อนเพราะเป็นธรรมที่ถูกความเกิดและความดับเบียดเบียนบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเพราะวัตถุที่อาศัยอยู่ของทุกข์ด้วยตอนเนี้ท่านพระดีกาท่านขยายบอกว่า ตัวเวทนาเป็นต้นเราเนี่ยนะเป็นขันที่ถูกความเกิดและความดับเ บ, บียดเบียนบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาทีนี้เมื่อถูกความเกิดและความดับเ บ, บียดเบียนบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจึงเป็นธรรมที่มีความเกิดและความดับเป็นธรรมที่ถูกความเกิดและความดับเข้าไปเ บ, บียดเบียนเขาเรียกว่าสังขารทุกขตาเป็นต้นเราเนี่ยนะเพราะขันเป็นที่อาศัยอยู่ของทุกยกตัวอย่างเช่นทุกขกับทุกวิปริณามทุกข์และก็สังขารทุกข์เอาคำว่าทุกข์กระทุกนี่ได้แก่อะไร ถ้าเขามาทุกข์กระทุกนี่ได้แก่เนี่ยทุกข์กระทุกนี่เขาแปลว่าทุกข์กายกับทุกข์ใจเขาถึงเรียกว่าทุกข์กระทุกถ้าบวิปริณามะทุกข์ได้แก่อะไรถ้าวิปริณามะทุกข์เขาแปลว่าทุกข์มันแปรปวนใช่ไหมก็คือตัวสุขเวทนานั่นเองถามว่ากรณีที่บอกว่าทุกข์ขาทุกข์าเนี่ยทุกข์ที่ทนได้ยากเนี่ยทุกข์ทางกายก็ทนได้ยากทุกข์ทางใจก็ทนได้ยาก เพราะเป็นทุกข์โดยสภาวะโดยชื่อก็เรียกว่าบางแห่งท่านใช้คาว่ากายยิกัดทุกข์กับเจตสิกทุกข์ฉะนั้นสภาที่กายก็เป็นทุกข์และก็จิตก็เป็นทุกข์เนี่ยเป็นธรรมชาติที่สัตว์ทั้งหลายในทได้ยามส่วนวิปริณามทุกข์เนี่ยถ้าแปลว่าทุกข์แปรปรวนเนี่ยสุขเวทนาเพราะเป็นเหตุได้เกิดทุกข์ที่แปรปรวนเป็นกายยิกัสุขกับเจตสุขกายยิกะเจตสิกสุขเวทนาหรือกายยิกสุขเวทนา ส่วนสังขารทุกเนี่เป็นทุกของสังขารเป็นชื่อของอุเวขาเวทนาและก็เป็นชื่อของขันทั้งหลายที่เป็นไปในภูมิสามในการปรภูมิรูปประภูมิและก็รูปภูมิเนี่ยนะฉะนั้นความทุกในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นทุกแล้วก็เยอะแยะหมดเบ็เสร็จหมดทีเนี้ยในดานของความทุกต่างๆเหล่านี้ยถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็บอกว่าถูกความเกิดและความดับเบียดเ บ, บียนบีบคั้นอยู่ตลอดเวลา ในทุกสามประการเนี่นะส่วนโรคาโตเนี่ยนะในข้อที่สามโดยความเป็นโรคอาจจะพิจารณายังไงว่าเวทนาเป็นโรคหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารมิยานเป็นโรคเนะี่ยเพราะท่านผู้ที่ครองขันจะพึงพยุงขันให้เป็นไปด้วยปัจจัยด้วยแล้วก็ขันเป็นรากเง้าของโรคด้วยคืออย่างงี้เวทนาเนี่ยเกิดจากปัจจัยนะ ถ้าไม่มีปัจจัยประชุบปุงแต่งเกิดขึ้นเวทนาจะมีได้ไหมเห็นไหมเอาดูในปัจจุบันใน เ, นเวทนาเกิดจากภาษาใช่ไหมและในภาษาอย่างเดียวที่ไหนต้องอาศาัยปัจจัยที่เกิดร่วมกับภาษาต้งเยอะแยะเป็นถ้าพูดถึงในแง่ของสาชาตากเกิดพร้อมกันสาชาตานิสยะก็ต้องอาศัยศาชาตติต้องยังมีอยู่เป็นตัวและาสาชาตาวิคตายังไม่ปรศารศจากไปเพืตอนอัญญาเญญาแลสมยุตต อันนั้นหมายถึงการประชุมที่จะทำให้เวทนาตั้งขึ้นได้เนี่ยแม้แม้ในขนาดเดียวกันก็ต้องอาศัยปัจจัยมากมายหรือในปัจจัยอื่นยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าในปัจจัยในอดีตถามว่ากว่าจะได้ทกมาสักก้อนหนึ่งเนี่ยนะที่ได้ทกได้ความเปลี่ยนแปลงได้ของไม่ดีมาเนี่ยนะไอเวทนาเหล่านี้ต้องอาศัยตัญหาถ้าในธรรมาจั ก, กรกับปวัฒนาสูตรที่บอกว่า เกีย่ยในเรื่องของโอนุภวิกาไอตัวที่ก่อขันให้เกิดขึ้นมาเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิวิญ ญ, ญาณชาติบีทุกาเนี่ยท่านหมายถึงกลัวตัวการเกิดขึ้นตั้งแต่ในครั้นเนี่ยถ้ากลุ่มนี้เกิดใ น, นคนรั้งเข้าไปเสยกาศหรือเกิดในไข่เกิดในเท่าไครหรือเกิดในยางเหนียวเกิดผุดโตขึ้นอันนั้นหมายถึงการอุบัติเกิดขึ้นครั้งแรกถ้ามีปฏิสนธิวิญ ญ, ญาณนณะตั้งณที่ไหนตัวเวทนาก็ตั้งณที่นั้น ฉะนัน้ตัวปฏิสนธิวิญญาณก็ดีตัวเวทนาก็ดีเป็นต้นหรือรูปขันก็ดีที่เกิดขึ้นขั้งแรกแล้วต่อมาก็มีการแตกดับแล้วก็สืบต่อมาเป็นไปตามลําดับเนี่ยตัวขันต่างๆเหล่านี้นั้นมีอวิชาตันหาและกรรมเป็นปัจจัยในอดีตทีนี้ตัวตันหาเนี่ยนะที่เข้าถึงความเข้มข้นได้นั้นก็เพราะอะไรเพราะตันหานั้นเขาเป็นสหายของกรรมเขามีเขามีกรรมเป็นสหายพอมีกรรมเป็นสหายเขาก็ทําให้ เขาก็เลยทําให้กรรมนั้นมีความเข้มข้นหรือมีการ ม, มีการวิกฤตมากขึ้นท่านใช้คําว่าอะไรนะยายัง ย, ยายายางตันหายายางตันหามาจากคาว่ายาบวกอายังตันหาก็หมายความว่าโปโนโภวิกาก่อให้เกิดพบใหม่มาจากคาว่าปุณณภาวะคือการก่อให้เกิดพบใหม่หรือโปโนโภวิกาตันหาเป็นปกติในการที่จะก่อให้เกิดพบใหม่ ปัญหาเนี่เป็นปกติของเขาเป็นอย่างนั้นเวลาเราสวดมนต์ในธรรมจักรกับปวัตนสูตรใช่ไหมจะมีคําว่านันทิราขสาคาตาประกอบด้วยความยินดีความเพลิดเพลินในการประกอบด้วยความยินดีความเพลิดเพลินเนี่ยนะดำเนินไปโดยไม่สละความยินดีความพอใจในระยะการทั้งหมดเนี่ยเนื่องจากมีความยินดีและความพอใจอยู่ส่วนคาว่าตตตะตตตาพินันทีนีเนี่ยนะเขาเรียกเพลิดเพลินพบแล้วก็เพลิดเพลินอารมณ์ เช่นยินดีเพิดเพลินในรูปยินดีเพิดเพลินในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสและกาในธรรมารมณ์เนี่ยนะการยินดีในลักษณะนี้คือเป็นความยินดีที่เป็นบ่อเกิดทําให้ได้อัตภาพอัตภาพคือการประชุมกันของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญาณเวทนาขันที่เรากําลังวิจัยกันอยู่เนี่ยเป็นหนึ่งในขันธ์เป็นหนึ่งในขันธ์และเป็นความหวังของเราอะไรเป็นตัวเป็นยางเหนียวฉาบร่วมกับกรรมอันวิจิต ใกล้ตันหานี่แหละเป็นการมาตันหาคือรูปปัตนหาเนี่ยนะความยินดีพอใจในรูปอารมณ์ที่มาทางของจากขุทวานเรื่องนางความยินดีเพราวะตันหาก็คือว่าตันหาที่เกิดร่วมกับสัสจะทิฏฐิวิภาวะตันหาก็คือตันหาที่เกิดร่วมกับอุเฉทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นว่าขาดศูนย์ทีนี้องค์ธรรมเนี่ยนะก็ได้แก่ตันหาใช่ไหมทีนี้ตันหาที่เป็นเหตุพิเศษเนื่องจากตันหานั้นปกปิด โทษในภพทําให้เราไม่เห็นอะไรไม่เห็นการเกิดมั น, ม, นมีโทษเอาใครมีใครเห็นการเกิดมีโทษไหมถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีใครใครเห็นว่าเวทนาเนี่ยมีโทษมากๆไหมทีนี้ก็นั่งไล่กันแล้วไปนั่งคิดเช่นการอุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยถามว่าการอุบัติเกิดขึ้นมาในตัวที่สร้าง เขรว่าตันหาที่ยึดติดกับอารมณ์แต่ตันหาเป็นสภาพที่ปราศจากความวิจิตเขาบอกว่าแ ท, ท้จริงตันหาเป็นสภาพที่ปรารถนาความวิจิตไม่ใช่ไม่ใช่ปราศจากความวิจิตนะปรารถนาความวิจิตที่เกิดร่วมกันกับกรรมและในที่สุดจริงๆเราก็ได้ชาติได้คติได้วิญญาณอีติและสตาวาสนิกายสกุลโภอท้ัพย์และความยินดีที่ยิ่งใหญ่ เป็นเหตุและเป็นสหายของกรรมอันวิจิตก็เลยกำหนดความวิจิตของภพความวิจิตของขันเกิดขึ้นมาเอานี้เอาแค่ดูอวาัายวสัตในด้านของสัตว์เดรัจฉานเนี่ยยอนว่าวิจิตไหมปูวิจิตไม่ยังไม่เคยเห็ น, นเลยอก็เห็นกุ้งไหมวิจิตไหมแมงกะพุนวิจิตไหมต่างลยสัตว์ทะเลปลาหมึกวิจิตไหมใช่ไม อีกเยอะหมดไอความวิจิตที่มันเกิดขึ้นมาน่ะตัณหาเนี่ยแหละที่มันวิจิตมันเกิดร่วมกันกับกรรมที่วิจิตมันก็เลยแต่งขันที่วิจิตขึ้นมาเราก็มองว่าโอ้โหสวยงามอยู่ไหมแต่บางทีก็น่ากลัวเอาถ้าแต่งขันบางขันเนี่ยเป็นรูปร่างที่น่ากลัวหนักไปนั้นบางทีก็แต่งเป็นสัตว์นรกเป็นเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรเป็นอสุรกาย นี่คือความวิจิตของตัณหาฉั้นตัณหาเนี่ยมันก็ให้เวทนาแล้วเวทนาก็วิจิตด้วยนะเอางี้เวทนาในสัตว์นรกเนี่ยโหดร้ายมากถ้าเวทนาในสัตว์เดรัจฉานเนี่ยตอนนี้กระดังโดนแส้โดนปตักโดนทุบโดนตีในโรงฆ่าสัตว์ก็โดนค้อนทุบหัวในโรงฆ่าไก่ก็ถูกมีดเชือดคอในโรงฆ่าหมูก็โดนมีดเสียบเข้าไปในคอ ตอนนี้กาลังดิ้นกันในพรานหมดแด้วเราก็ไม่รู้ตัวเราก็มานั่งรู้สึกว่าไม่ไม่ไม่เห็นเป็นอะไรเลยชีวิตเรายังปลอดภัยใช่ไหมแต่เชื่อไหมคนกาลังตายกันเริ่มเริมร่มตอนนี้นี่มันโทษของตัณหาตัณหามันไม่เห็นโทษในภพมันก็ให้เรานันน่ยยึดติดในขันในอัตภาพเรานั่งรู้สึกชีวิตเราจะปลอดภัยใช่ไหมมีความรู้สึกอย่างนั้นไหม เพราะอากาศเย็นๆสบายๆไม่เห็นมีอะไรเลยชีวิตแต่ที่ไหนได้ไหนอีกมุมหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลอย่างเรานี่แหละอบัยศัตว์เอาคิดว่าในยุธยาเนี่ยวันนี้ก็จะฆ่าสัตว์กันมั้ยมีไหมตอนนี้ก็กําลังฆ่าอยู่นี้ไหมคนที่กําลังใกล้ตายนี้ไหมคนนอนทรมานในโรงพยาบาลมีเยอะไหมเห็นไหมเนี่ยนี่ไงตั้นหาเขาหม้อให้เป็นอย่างนี้ ฉะนั้นลักษณะอย่างนี้เขาบอกว่ามันเป็นโรคมันไม่มีมันมันเป็นโรคก็แปลว่าอะไรปัจจัยที่ทําให้นามเกิดโรคเกิดเนี่ยเป็นเหมือนกับรากเหง้าของการป่วดของความป่วยไขย้คือเป็นรากเหง้าของความป่วยไข้คําว่ารากเหง้าของความป่วยไข้ก็คือเป็นรากเหง้าของโรคท่านแก้ว่า เป็นเสมือนรากเงาของความป่วยไข้เพราะขันเป็นรากเง้าของอะไรพยาธิคือความป่วยไข้ที่ติดตามมาอยู่ทุกขณะไป็นพยาธินี่คือความป่วยไข้มันติดตามอยู่ตลอดเวลาไหมอตอนนี้ใครมีใครมีโรคอยู่ในร่างกายตลอดเวลาไหมทุกคนแม้วที่นั่งอย่างนี้ ม, มีทุกคนใช่ไหมเกิดนานักขนาดไหนมันก็มีความป่วยไข่อยู่ตรงนั้น ล้เวรว่าเป็นโลกติดต่อประการต่อมาคือคันทะโตเห็นไหมข้อดีสี่เป็นหัวฝีอันที่เป็นหัวฝีแปลว่าอะไรเพราะประกอบไปด้วยหลาบ้างความทุกข์บ้างเป็นที่ไหลออกของสิ่งที่ไม่สะอาดเวทนาเนี่ยเวทนาขันอยู่ที่ไหนถามว่าถามว่าเมื่อมีเวทนาเนี่ย เวล า, าเกิดสุขเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยกิเลสไหลไหมทุกเวทนาเกิดขึ้นกิเลสไหลไหมเบวขาเวทนาเกิดขึ้นกิเลสไหลไหมแล้วเกิดสุขเวทนาติดใจไหมราฆาก็ไหลกลุ่มของราคามิจฉาทิฏฐิมานะก็ไหลเนาะเกิดทุกเวทนาเกิดขึ้นโทสะไหลไหมโทสะอินกานุตรปะกไหมเออโทสะอิสาน ม, มาัฉริยะกุกูจาก็ไหลใช่ไหมถ้าเกิดกรณีที่อาวิชา เวทนาเกิดขึ้นอาวิชาไหลไหมโอ้โหอาวิชาโมหะอหิริกะโนตบะอุทะจากันไหลสรุปแล้วก็คือว่าเวทนานี่เป็นตัวโรคเป็นที่ไหลออกของกิเลสแล้วเวทนาขันเนี่ยอยู่ในกระแสขันเนี่ยที่นั่งๆกันอยู่เนี่ยกิเลสไหลไหมโยนนั่งหลับนี่ไหลไหมไหลเลยไม่ใช่เวลานั่งหลับนี่ไหลไหม ไหลใช่ไหมแล้วจะมานั่งให้กีเลศไหลอยู่ทําไมก็หัดลกบางทีถ้าง่วงให้ไปนั่งทําไมร็ใช่ไหมถ้ามันง่วงก็ลกไงขี้เกียจจะเนี้กรตั้งกล้าลกกเลยไเป็นไรหรอกลกเยอะอที่จริงน่าจะมีเนี่ยเราเรต้องตั้งมนณสิการไว้สิวันนี้เราจะศึกษาว่าทำแบบตั้งฮีริโอตปาไว้อย่างแรงกล้าในเพื่อนที่ศึกษาว่าทำถ้ากีเลศจะไหลเราจะเราจะไม่ให้ไหลเดียวกลัวเพื่อนอยู่ใกล้ๆจะหม่นใช่ไหม แล้วก็ยืนไม่อะไรก็ทำํำกันี้ทําได้ไหมใช่อันนี้ใครจะเหม็นก็เหม็นไป่ปล่อยไหลเ <c oughs> ขาบอกเป็นเป็นลูกศอนด้วยเนะาะสันละโตเนี่ยเป็นลูกศอนอาคำว่าลูกสอนท่านหมายความว่าเสียดแทงเข้าไปในภายในก็แปลว่าเวลาที่เสียดแทงด้วยอํานาจของการเกิดและความดับเหมือนกับทุกวเวรนานะั่นแหละเสียดแทงเจ็บปวด อาฆาตโตก็เป็นความลำบากอาทำไมจึงจัดว่าเป็นลำบากหน้าตีเตียนนั่นเองอาฆะเนี่ยศัพท์เนี่ยพวกอาริยชนทั้งหลายพากันตีเตียนว่าเป็นธรรมที่ลามกเป็นธรรมที่ไม่ดีรูปเวรานาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยพาริยะทั้งหลายท่านตําหนิว่าเป็นธรรมที่ต่ํำสามเป็นธรรมที่ลามกเป็นของชาวบ้านไม่ใช่ของพาริยะไม่ใช่ของที่ประเสรศิฐ แต่คนผ่านพากันชื่นชมยินดียิ่งนักนะฉะนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารมิยานเป็นธรรมชาติที่นำเอาความไม่เจริญมาให้มันเจริญไหมตั้งแต่เราได้ขันนี้มาเนี่ยมันดีขึ้นไหมมันดีขึ้นไหมมันุดลงหรือมันดีขึ้นยอมรับคลมันุดลงใช่ไหมก็มันนําความไม่เจริญมาให้อย่างนี้แล้วเราทําไมมาอะไรอวอนมันมากอ่ะ ต่ตรงนี้ไปดูในสูตรเดี๋ยวจะไปสรุปอีกอในสูตรหนึ่งให้ดูนะท่านพูดจนไม่อยากได้ขันเลยพูดไปพูดมาจะรู้สึกโอ้โหไม่ไหวแล้วไม่น่าจะแบกมาเลยเนี่ยนะแต่ไม่ใช่ไปไปประทุษร้ายอย่างอื่นนะคือดูอยังไงมันก็ไม่มันนำความไม่เจริญก่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายและก็เป็นวัตถุเป็นที่อาศัยของความลามมเองด้วย แรงมกเป็นชื่อของหน้าตีเตียนเยนึ่งเป็นทรรที่นําความไม่เจริญและเป็นธารมที่ก่อความคับแค้นเอาไว้พอได้มาเนี่ยลองคิดดูดิว่าได้รูปขันมาได้เวรนาขันมาในท่สุดจริงๆมันได้ของที่ผูกพังมาได้ของที่มันวิบัติมานีย่ยิ่งอยู่นานก็ยิ่งลําบากใช่ไหมเอาดิหลุดไปเรื่อยแบบฟันก็เริ่มหลุด ไอ้หนังที่มันตึงๆเนี่ยมันก็หลุดหายไปใช่ไหมไอ้ตาที่เคยแจ่มใสก็เริ่มมัวเริ่มฟ้าไอ้หูที่เคยชัดเจนมันก็เริ่มตึงเนี่ยนะสยินลาก็เริ่มโค้งงอมันไม่มีอะไรจะดีๆเลยใช่ไหมนี่ไงมันนําความไม่เจริญมาให้เป็นความลําบากเขาเรียกอคต์ตัวนำความลําบากมาให้ก็เราได้สิ่งที่มันหน้าลําบากหน้าเสียเสียเอียนขนาดเนี้ย เราก็ยังมาเทิดทูนมาบูชามาประคบประงมเนี่ยนะมายอมเป็นทาสมาคอยดูแลเขา อ, อย่างเงี้ยมันน่าจะออกตั้งนั้นเลยนะอาพาทโตเนี่ยอาพาธเนี่ยพิจารณาเป็นธรรมที่เป็นไข้คําว่าธรรมที่เป็นไข้เนี่ยเขาแปลเป็นเป็นสิ่งที่ไม่มีอิสระไม่มีเสรีเลยคือว่าเพราะให้เกิดความเป็นอำนาจของบุคคลอื่นก็อธิบายอุปมาเหมือนกับคนเป็นไข้เนี่ยคนเป็นไข้ต้องอาศัยคนอื่นไหม เวลาจะออกเป็นป่วยหนักๆเนี่ยจะลุกจะเดินไหวไหมต้องอาศัยคนอื่นพยุงลุกพยุงนั่งชั้นใดเอาเวทน า, าในลําพังตัวมันเองเนี่ยมันเกิดได้เองไหมในลํนพาพังเวทนาเองเนี่ยมันเกิดโดยไม่ต้องอาศัยใครได้ไหมเป็นธรรมที่เกิดจากปัจจัยใช่ไหมคือบอกว่าเป็ น, เ ป, นเป็นไข้ อ, อาพาธนี่แหละปราโตแปลว่าอะไร เป็นอื่นในที่นั้นเป็นธรรมที่ไม่มีอำนาจเนาะโอะมามันกับบุรุษที่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามปาราโตเนี่ยเป็นอื่นเอาลองสับคําว่าเป็นอื่นให้เราเข้าใจชัดๆหน่อยที่จะใช้คําว่ายมันนอกใจเวทนาเนี่ยในเวขันทุกขันแหละว่าได้เวนไปตามใจแล้วหรอกแปลว่ามันมันไปเป็นพวกอื่นแล้ว น, นในที่นั้นก็คือมันแปลปรวนมันแตกดับเป็นต้นปรโรกโตก็คือชำรุดนะประโรกโตนี่ชำรุดพิจารณาเป็นตามที่มีความชำรุดกับคำว่าพินาศเนี่ยเดียวกันไหมสลายไปอ่ะสลายไปเพราะชลาพยาธิและมรณะ ตรงนี้ยท่านขยายว่าพิจารณาขันได้เป็นธรรมชาติที่มีความพินาศว่าจะต้องขาดไปหรือต้องพินาศไปด้วยประการทั้งหลายมีความป่วยไข้มีความทรมานเป็นต้นเราเนี่ยนะความวิบัติต่างๆที่เราจะได้เจองั้นคําว่าโลกโลก โ, โลกะโลกะในที่นี้ก็แปลว่าอัจวพินาศปะในที่นั้นก็อาจว่าหยาบช้าทารุณก็ได้พินาศด้วยหยาบช้าทารุณด้วยเวทนาทั้งหลายเนี่ย ไม่ว่าจะสุขเวทนาพี่นาดไหมยอมบางคลแตกสลายไหมอ้าวสุขเวทนาแตกสลายไหมสุขเวทนาสายตาแตกสลายไหมสุขเวทนาสายหูแตกสลายไหมสุขเวทนาสายกลิ่นสุขเวทนาสายลิ้นสุขเวทนาไอที่กินอาหารเนี่ยสุขเวทนาไหมแล้วแตกสลายไปหมดได้ยังพี่นาดหมดแล้วแต่ชอบนะไอที่พี่นาดแบบเนี้ย บอกโหไอหวานอีกทําอาหารอร่อยดีกเกินใช่ไหมมาเดินผานไปเห็ผลทําขนมจีนอร่อยมากเลยใช่ไหมเป็นไงใช่ไหมแล้วพี่นาดเป็นหมดยังไงความอร่อยพี่นาดเป็นหมดแล้วใช่สุขเวทนาเนี่ยพี่นาไดนาไปแล้วทุกเวทนาก็พี่นาดอุเบกขาเวทนาก็พี่นาดก็แตกสลายเวทนาทางตาก็แตกสลายเวทนาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็แตกสลาย เวทนาในอดีตที่ผ่านมาแตกสลายเวทนาที่กําลังเป็นไปอยู่กําลังจะแตกสลายเวทนาที่จะเกิดในอนาคตก็แตกสลายแล้วจะไปเอาทําไมของในสิ่งที่แตกสลายอ่อ <c oughs> ทําไมมันอะไรอววรในสิ่งที่มันแตกสลายอย่างนี้ <c oughs> ท่านต้องบอกว่านั่นมันเป็นปโรกคโตนชมรุดอิติโตนี่เป็นเสนียดเนาะพูดหลายครั้งเลยตรงเนี้ยแปลว่าอะไรเนี่ยจลัยแปลว่าจันลัยเนี่ยเป็นสต้าที่ทําให้ย่อยยัก เวลาฟังพระให้พรก็น้อมบ่อยๆใรยออคร่ครบญยมมั่นใจบาตทุกวันป่ะแล้วเวลาพระรับบาตรแล้วท่านให้พรไหมกระซิบบอกยอมผู้หญิงบอกว่าพระเขาสัพพิติโยใช่ไหมก็ามาจะํานี่หน่อยอิ ต, ติโทนแปลว่าเสนียรอะไรเสนียรเวทนานี่เป็นเสเนียร์ไหมคําว่าจันลายไหรมรูปขันจันลายไหมเวทนาสัญญาสังขารนิยามใช่ไหมคําว่าจันลายในที่นั้นแปลว่าอะไร เพราะเป็น